วัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าคับแคบมากหรือคับแค้นมากเพราะอะไรเกี่ยวกับบุตรกับภรยาเป็นต้นเนี่ยนะท่านใช้คําว่าคับแค้นมากด้วยบุตรและภริยาว่ออาอ้าวคนมีบุตรก็ปลื้มใจเพราะบุตรไม่ใช่หรือคนมีภริยาเป็นต้นก็ปลื้มใจเพราะสิ่งนั้นใช่ไหมบอกว่าใช่ตอนต้นแล้วถามว่าบุตรและภริยาหรือสามีเป็นต้นเขาจะสุขภาพดีเยี่ยมตลอดไปใช่ไหม เขาไม่รู้จักเจ็บเขาไม่รู้จักป่วยเขาเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดท่านสมุท่าเราบอกว่ามีบุตรมีภรรยามีสามีเนี่ยนะถ้าเขาไม่สบายนิดหนึ่งใจเรายิ้มมีความสุขอยู่ตลอดใช่ไหมอ่นนะถ้าเรามีบุคคลที่เรารักขนาดไหนถ้าเรามีลูกเรารักลูกมากเสร็จ แ, แล้วลูกป่วยใจเราก็ป่วยด้วยลูกขาบาดเจ็บนิดหนึ่งใจเราก็เจ็บไปด้วยถ้าลูกมีปัญหาเท่าใดใจเราก็เจ็บปวดขึ้นไปเท่านั้น ถ้าป่วยปางตายใจเราก็ปางตาย น, น, นั้นกันนั่นแหละดงนั้นบุคคลเป็นที่รักทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นทางใจถ้าเขาทุกข์ขนาดไหนใจของเราก็ทุกข์ขนาดนั้นเพราะว่าวัตถุอันเป็นที่รักถ้ามีปัญหาเมื่อใดใจเราก็เป็นทุกข์หรืออีกในหนึ่งเขาบอกวัตถุอันเป็นที่รักสมมติว่าเขาถูกฆ่าหรือไปฆ่าเข้ามาเนี่ยนะเราจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขแน่ เขาถูกโกงหรือว่าไปโกงเข้ามาเราจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขถ้าเขาประพฤติผิดในการมเราจะมีความสุขเป็นต้นไหมถ้าเขาแบ่งใจไปเป็นอื่นเราจะยิ้มอยู่ตลอดต่อไปไหมบอกไม่อรมแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความรับแค้นใจเป็นอย่างมากอึดอัดลำบากใจเป็นอย่างมากเนี่ยนะถ้าเขาขี้เล่าเมายาเลยนะมีผัวขี้เมาจะมีความสุขไหม ถ้ามีเมียขี้ยาขี้การพนันจะมีความสุขไหมแล้วมีลูกลูกไม่กลับบ้านสักทีเนี่ยนะจะมีความสุขไหมบอกแม่บางคนเล่าให้ฟังบอกได้ยินเสียงรถลูกสตาร์ทออกนอกบ้านแม่ก็ทุกข์เลยห่วงกันว่าะไรเพราะเต็มไปด้วยความห่วงใยและกังวลบางคนเขาบอกว่าโอ้ยเนาะแม่รอฟังแล้วจะเสียงรถเมื่อไหร่เสียงรถลูกจะเข้าบ้านสักทีหนึ่งนะนั่นก็เต็มไปด้วยความคับแค้นทางใจเนี่ยนะ เต็มไปด้วยความอึดอัดคับแค้นทางใจด้วยด้วยปัจจัยอะไหลายอย่างมันก็ยากที่จะเจริญกุศลยากที่ใจจะเป็นไปกับกุศลขณะเดียวกันผู้ที่บริโภควัตถุกรรมทั้งหลายวุ่นวายอยู่ในการทํางานเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมหรือพาณิชยกรรมเป็นต้นธามาค้าขายเนี่ยนะเลี้ยงกสิกรรมเนี่ยนะทำเกษต ร, รเนี่ยอาชีพสายเกษต ร, รเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยแบบเรียกเหนื่อท่วมเลยแหละ กเกษตรกรรมที่เหงื่อไม่ท่วมหายากเนีนะนะเหงื่อท่วมยุงก็กัดแมลงก็โวนพืชไร่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีแล้วก็ในที่สุดก็เปื้อนบาปเปื้อนอาคุณไปจนได้ภาณิชยกรรมค้าขายก็ไม่ใช่ว่าจะขายกันง่ายๆเนี่ยนะนะเพราะอะไรขายดีคนก็แย่งขายกันถ้าที่ไหนสินค้าดีสินค้ามากที่นั่นก็ปัญหามากก็ทุกข์ก็มากขึ้นมันวุ่นวายมากนะนะ ตลาดที่ไหนย่านการค้าไหนขายดีย่านการค้านั้นก็โฉลโมนวุ่นวายสารพัดกิเลสก็มาถมอยู่ตรงนั้นนั้นคนหนึ่งคนนะกิเลสหนึ่งกลุ่มแบบนั้นเถอะเหมือนกับไฟเนี่ยหลายๆกองมารวมกันกลุ่มหนึ่งถ้าคนเป็นล้านๆคนที่มีกิเลสทุกคนมารวมกันเนี่ยแต่ละคนจะเป็นยังไงจะมีความสุขไหมบอกอว่ายวุ่นวายแบบนั้นวุ่นวายในยการทํามาหาเลี้ยงชีพเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายน้อ ย, อยเลย แต่เขาบอกโอยมันวุ่นวายขนาดนี้ทำไมทำอยู่มันก็จำทนแล้วเพราะว่าเป็นภาวะที่เรียกว่ายอมจำนนไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ว่างันมันไม่มีทางออกไม่มีทางไปก็เลยจำนนสู้ทนท น, ท, นทุกอยู่กับอย่างนั้นนั่นแหละมันวัตถุ ก, การมทั้งหลายเนี่ยมันวุ่นวายวุ่นวายจนจนลืมตายอ่ะนะ กศิกรรมพาณิชยกรรมทั้งหลายเนี่ยอาชีพแต่ละอาชีพเหมือนกันสายชาวนาชาวไร่ก็หวังว่าเออปีหน้ามันจะดีกว่าปีนี้หวังหวังหวังไปเรื่อยๆจนปู่ตายแล้วก็มารุ่นพ่ออีกรุ่นพ่ อ, อกอ็ตายไปรุ่นลูกมาสืบสานต่ออีกรุ่นหลานมาต่อกันนี่เนี่ย ม, มีใครประสบความสําเร็จเนี่ยเนีก็เพราะเพราะว่ามันก็วุ่นวายอยู่กับอย่างนั้นแม้กระทั่งกลุ่มค้าขายก็เหมือนกันอีกเดี๋ยวจะเลิกเดี๋ยวจะเลิกยากว่างั้นก็วุ่นวายอยู่ในที่สุดก็พัวพันอยู่จนจนออกไม่ได้ อันมันมีความวุ่นวายสูงมากเพราะพวกนี้มันมีแรงสูบนะนะเรียกว่าแรงดึงดูดของวัตถุเหล่านี้มันรุนแรงจนเขาเรียกว่าทาท่าเหมือนจะออกได้แต่ยากว่างั้นขณะเดียวกันความอ ร, อร่อยของวัตถุกรามทั้งหลายเนี่ยนะก็นิดหน่อยกรามทั้งหลายแต่ละอย่างเนี่ยนิดหน่อยเหมือนการฟ้อนราในที่ต้องใช้แสงไฟเอออย่างอย่างคิดดูนะเอาชีวิตบางคนเนี่ยเกิดมาห้าหกสปีเจสิปีเนี่ย ชีวิตที่อยู่กับความสุขจริงๆเนะ่ยกนะี่ปีลุงเรื่องชีวิตที่อยู่กับความสุขสมหวังหน้าชื่นตาบานยิน้มแย้มแจ่มใสชีวิตนี้สุขแท้สุขแท้กี่ปีลุงเริงไม่เคยพบเลยนะ <c oughs> ที่เหลือทุกข์ล้นวนเหมือนกันนะนีที่เหลือทุกข์ล้วนเดือดร้อนล้นล้วนลำบากล้นวนเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะนะคิดบอกว่ า, วาใครที่มีความสุขหรือมีความทุกขนะ์เนี่ยคิดง่ายๆว่า คิดถึงใครบ้างแล้วมีความสุขเนี่ยนะคนคนที่เราคิดถึงโดยมากก็มีคนมีทุกข์ทางนั้นใช่เมื่อคนมีทุกข์เนี่ยเราคิดถึงแต่คนมีทุกข์แล้วใจเราจะสุขหรือมันก็ทุกข์อยู่แล้วล่ะจริงอยู่กายเราอาจจะไม่ทุกข์แต่ใจของเราคิดถึงแต่คนที่มีทุกข์เราก็ต้องทุกข์ไปด้วยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนการฟอนรำที่จะต้องใช้แสงไฟเนี่ยนะมันสบายนิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือทุกข์อย่างเดียว ก็ชีวิตนี้มันประสบสุขกันคนละไม่กี่ครั้งเอ๊เนี่ยนะที่เหลือทุกล้นวนทุกติดตามมาลักขณะเดียวกันความสุขเหล่านี้เป็นสัญญาวิปริตเหมือนเครื่องประดับของคนบ้ามันเกิดจากความเมาขึ้นเท่านั้นนะเคยเครบอกใครเคยเห็นคนบ้าแต่งตัวไหมเอาอะไรมาแต่งเอาสิ่งนโน่นมาประดับเอาสิ่งนี่มาประดับปุ้ยงดงามเหลือเกินในความรู้สึกของคนบ้าเนี่ยนะชันใดวัตถุกรรมทั้งหลายโดยมากก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละเนี่ยนะ มีความสุขเมื่อยามโวเมาเท่านั้นแต่ถ้ามีสติมีปัญญามีอะไรบ้างเนี่ยพอหายบ้าขึ้นมาเนี่ยฉันเอาอะไรมาแต่งเนี่ยนะฉันเอาอะไรมามาคลวบคลุมตัวอะไรขนาดนี้ก็บอกว่าวัตถุกามเนี่ยนะเพิ่มแต่ความวิปลาสเพิ่มแต่ความโวเมาเพิ่มแต่บาปและอกุศลนี้คนที่สังสมอัทยาศใยในกามมากมากเนี่ยนะก็สะสมกามมัตย า, ายัย คนที่สะสมอัธยาศัยไว้ในเรื่องการจะสะสมอัธยาศัยในเรื่องพยาบาทด้วยเพราะการทั้งหลายมันเป็นที่ตั้งแห่งความพยาบาทเพราะผู้ใดมาทําลายวัตถุกรรมของเราเราจะชื่นชมเขาไหมไม่พยาบาทก็รุนแรงยิ่งขึ้นก็สะสมพยาบาทเนี่ยนะสะสมอัธยาศัยในการก็เท่าสะสมอัธยาศัยในพยาบาทยังไม่พอสะสมอัธยาศัยแห่งความโง่เขลาและงมงาย และขณะเดียวกันโลกของวัตถุกรมไม่อิ่มจริงไม่อิ่มจริงเหมือนอะไรเหมือนการดื่มน้ำที่นิ้วมือที่เปียกด้วยน้าเคยเอามือมือไปจุ่มน้ำแล้วก็มาดูดดูดดูดแล้วก็จุ่มแล้วก็มาดูดอีกเนี่ยนะกระหายน้ำเต็มที่แล้วก็จุ่มดูดจุ่มดูดเนี่ยนะมันจะอิ่มไหมมันจะอิ่มจริงไหมมีใครอิ่มบ้างจากการดื่มน้ำโดยที่เอานิ้วมือไปจุ่มเนี่ยนะจุ่มแล้วก็มาดื่มแม้ทั้ วักขึ้นยังค่อยยังชั่วหน่อยแนวโน้มอันนี้เอานิ้วไปจุ่มให้มันเปียกแล้วก็ดึงมาแล้วก็ดูดๆนิดนึ่งแล้วจุ่มใหม่ก็แสดงว่าเปลือกน้ําลายตัวเองตลอดเนี่ยก็ดูแต่น้ําลายอันเก่านั่นแหละเมื่อไรเนาะจะอิ่มแท้เนี่ยนะดีไม่ดีนะยิ่งดูอย่างนั้นน้ําลายยิ่งหมดนะเพราะไอ้น้ำลายนี่มันเกาะนิ้วมากกว่าน้ําอ่ะที่ข้างนอกมันเกาะใชยิ่งดูดยิ่งทุกข์อ่ะว่างั้นเถอะยิ่งดูยิ่งกระหายยิ่งดูยิ่งพร้อมเนี่ยนะเพราะมันไม่ได้อิ่มจริงๆไม่ได้อิ่มจริง เหมือนดื่มน้ำที่ที่นิ้วมืออันเปียกด้วยน้ำแบบวันแสดงว่าท่านคิดมากะนะท่านคิดว่าเออในเรื่องนี้มันให้ความสุขเท่าไหร่แล้วที่เหลือมันคือความทุกข์อะไรบ้างแล้วว่าถูกการมทั้งหลายไม่มีความสบายเหมือนบริโภคอาหารในเวลาหิวคนหิวจริงๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนทานอาหารด้วยความอร่ออร่อยแต่กิริยาของคนอิ่มที่มองคนหิวทานเนี่ย ยัว่ามีความสุขจริงไหมสมมติว่าโอ้โหิวมากโู้โหกลังตะกะตะกรามกินเนี่ยคนที่กําลังอิ่มเต็มที่เลยมีความรู้สึกว่าคนหิวกําลังบริโภคด้วยความอร่อยอร่อยยัว่าเขามีความสุขจริงไหมรู้สึกว่าเขากําลังมีความสุขใช่ไหมคนหิวที่กําลังบริโภคคนกระหายคนต้องการเนี่ยนะกำลังบริโภคเป็นฉันใดผู้ที่บริโภคกามทั้งหลายก็เช่นนั้นเนี่ยนะ วัตถุกรรมทั้งหลายท่านบอกว่าเป็นเหตุรวมแห่งความพินาศเหมือนเหยื่อที่เบ็ดฉะนั้นนะดูอร่อยก็จริงแต่ว่าฉุดไปไหนวัตถุไหนมัง่งคิดง่ายๆในโลกเนี่ยนะวัตถุไหนมั่งไม่ฉุดไปสู่อบายทุคติวินิบาตแล้วนรกบอกอู้ใช้คําว่าทองคําทองคำเนี่ยนะคือประตูปานาติบาตมากที่สุดที่ใดมีทองที่นั่นมีค่านะที่ไหนมีทองมากที่นั่นจะมีการฆ่ามากถ้าจัระเบียบไว้ไม่ดีเนี่ยนะ เพราว่าศึกแย่งอะไรศึกแย่งทองอเขาเลยามีบางคนคิดลึกซึ้งว่าเออทองอันนี้ผ่านมากี่ศกแล้วนะาะองนั้นนะเออสมมติว่ากว่าจะาทองเส้นหนึ่งเขาไม่ยอมให้หายไปไง่ายๆนะเขาก็จะเก็บรวบรวมทองว่าะฉะนั้นคนไม่รู้ผ่านคนตายคนตายกี่รู้กี่คนต่อกี่คนเอาไปประดับแล้วเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นก็เป็นฉันนั้นทุกอย่างมันเป็นที่รวมแห่งความพินาศวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งความพินาศเนี่ยนะ ที่ใดมีวัตถุการมประนีที่นั่นตายเยอะที่ใดวัตถุการมประนีเท่าใดที่นั่นตายมากกว่เพื่อนแล้วอย่าไปคิดว่าเมืองใหญ่ๆดูเหมือนดีแล้วเกินเหมือนไม่มีคนตายนะที่นั่น่ะมีสัตว์พินาตเท่าไรแล้วเนี่ยนะที่ที่ตายคาสิ่งเหล่านั้นตายอยู่นะสถานที่เหล่านั้นทับถมอยู่นะตรงนั้นเนี่ยเท่าใดแล้วเนี่ยนะท่า น, นก็บอกว่าเป็นเหตุรวมความพินาต เรีย ว, ว่าฉุดไปสู่ความพินาฏมันดูดไปให้พินาฏจริงๆเลยนะไอ้จะมดว่าอย่างเหมือนกับแสงไฟที่ดูงดงามเนี่ยบอกว่าถ้าอย่างภาคเหนือเนี่ยนะตามชนบทก็แล้วกันตามชนบทบางหน้าเขาจะจุดไฟล่อแมลงไฟล่อแมลงอะไรแมงดาเนี่ยนะเ้าเรียกว่าไฟดับแมงดาแมงดาก็อยู่ไกลเป็นกิโลมันมองเห็นแสงปั๊บก็บินไปหาแสงเพื่อให้ เ, าเอาไปทําน้ําพริกแมงดา เพราะแสงเหล่านั้นฉันใดปลาที่เห็นเบ็ดก็ถูกก็เห็นเบ็ดแล้วก็ไปติดเบ็ดเพื่อให้เขาเอาไปต้มยำทำแกงทำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้วัตถุ ก, การมทั้งหลายก็ฉันนั้นดูดไปหาชาติชราและมรณะดูดไปหาสังสารทุกข์ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะขณะเดียวกันการมทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกในการสามดุดความร้อนของไฟ แปลง่ายๆว่าทุกทั้งในเรียกว่าอดีตกามทั้งหลายก็เป็นเหตุแห่งทุกปัจจุบันกรรมทั้งหลายก็เป็นเหตุแห่งทุกอนาคตต่อไปก็เป็นเหตุแห่งความทุกนึ่งอยู่สูตรหนึ่งมาคันดียสูตรพระพุทธเจ้าตรัสที่แคว้นกุรุที่พระ อ, องค์เปรียบเหมือนอย่างว่าคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนแผลเกระกระงเป็นตัวไปหมด ทีนี้มีความสุขของคนโรคเรื้อนก็คืออะไรถ้าแผลเยอะแบบนั้นทําไงก็ต้องไปย่างตัวให้มันแห้งเวลามันแห้งหน่อยมันจะคันใครที่เคยถิงไฟจะรู้่นะถ้าตรงไหนมันแห้งเต็มที่มันจะคันคันก็เกา่าทีนี้ยิ่งคำ ว, ว่ายิ่ ง, งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกาว่าไงยิ่งเกา่ายิ่งมันก็เลยเกาลึกไปเลยเลือดก็ไหลแล้วก็ออแล้วก็ไปย่างใหม่แล้วก็เกาอีกเขาบอกว่านั่นคือความสุข ข, ของตามทั้งหลายเป็น เช่นนั้นอดีตการทั้งหลายาาก็บอกว่าไฟเป็นที่ย่างย่างมันก็ร้อนปัจจุบันไฟคือกามทั้งหลายก็ร้อนอนาคตต่อไปก็ร้อนและความเร่าร้อนเหล่านี้เนี่ยนะถ้าคนที่ไม่เคยมีความสุขจากเนคขมมะไม่รู้หรอกว่าไอ้ความร้อนเหล่านี้มันร้อนจริงๆถ้าเมื่อใดที่ได้ความสุขที่เกิดจากบุญได้ความสุขที่เกิดจากกุศลได้ความสุขที่ไม่มีโทษโดยเฉพาะถ้าได้ความสุขที่เกิดจากฌานเป็นต้นเนี่ยนะ จะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเร่าร้อนจริงๆแล้วก็เปรียบเทียบว่ากามคุณเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าแย่งเหมือนเอาเป็นเอาตายกันถ้าถ้าไปเกิดในสวรรค์เนี่ยนะถามว่าจะมาแย่งกามเป็นของมนุษย์ไหมไม่เธอบอกว่ากามเหล่านี้ถ้าเกิดในพรหมโลกสนใจวัตถุ ก, กามแม้แต่ชิ้นเดียวไหมบอกไม่เพราะจะมองเห็นวัตถุกามที่น่าเพลิดเพลินเหมือนกับไม้ที่ทําลงศพเนี่ยนะไม้ทำโรงศพหรือว่าเสื้อผ้าของ ของศพเท่านั้นเองนะก็จะเห็นว่ามันแปดเปื้อนไปด้วยคราบสิ่งที่ไม่สะอาดฉะนั้นทั้สิ่งเหล่านี้มีแต่ความเร่าร้อนเหมือนไฟไฟเนี่ยนะในอดีตไฟก็เป็นของที่เร่าร้อนอนาคตที่จะมีต่อไปอย่างไรไฟก็เป็นของร้อนปัจจุบันไฟก็เป็นของร้อนกามทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนฉะนั้นเนี่ยนะในอดีตสัตว์ทั้งหลายก็เดือดร้อนเร่าร้อนเพราะกามอนาคตต่อไปสัตว์ทั้งหลายก็เร่าร้อนเพราะ กามปัจจุบันนี้สัตว์ทั้งหลายก็เร่าร้อนเพราะกาม น, นั่นแหละ่ว่าพูดให้มีอัธยาศัยก็พอใจแล้วมันด้ถึงขนาดองุ่ละได้เลยนะแต่ให้รู้เถอะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพูดที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าโดยพื้นฐานอัธยาศัยของพระองค์และพระองค์คิดแบบนั้นอยู่ตลอดถ้าไม่คิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะเนขมมะบารมีจะไม่เต็มคือเมื่อใดที่น้อมไปหาความสุขในกาม เนคขมะบารมีมันเสื่อมทันทีเลยอ่ะเพราะท่านจะต้องคิดยังไงให้เนคขมะบารมีของท่านเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเพิ่มอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันอย่างคิดอีกในหนึ่งว่าเออท่านเห็นโทษในการมปฏิบัติจนได้ชาแล้วเกิดในพรหมโลกเพราะเกิดในพรหมโล ก, ก, โลกทํงไงจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเห็นโทษของกรรมอีกแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกแล้วลงมาใหม่มาเห็นโทษของกามอี ก, ก, ก, ท, อ ก, อกท่านต้องการเชื้ออัธยาสัยที่ เห็นโทษของกามเนี่ยอัธยาศัยที่เรียกว่าเนคขมมะสั่งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาสเสดเียกว่าสแสวงหาเนคขมมะโดยการพิจารณาวัตถุกามพิจารณาวัตถุกามเท่าใดสะสมอัธยาศัยเนคขมมะเท่านั้นตัวนั้นคือฐานที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นรากแก้วที่สําคัญอันหนึ่งที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคือ คือวัตถุกรรมเนี่ยนะมันคือสิ่งสองด้านว่าน้อมไปเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้พระพธิธศาสนทั้งหลายคือผู้ที่น้อมเห็นวัตถุแล้วเป็นกุศลได้นี่นะน้อมไปเพื่อเป็นกุศลซึ่งต่างจากบุคคลทั่วๆไปน้อมเพื่อสแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านมองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าคือวัตถุแห่งบุญกุศลรรสาระก็คือปัญญาที่พิจารณาบุญกุศลที่เกิดจากการพิจารณา วัตถุทั้งหลายไม่ใช่เรียกว่าโอ้ท่านเห็นโทษแล้วกระโดด อ, ออกไปเลยไม่ใช่ก็อยู่ยังอยู่นี่แหละแต่อยู่แบบคนเห็นโทษอยู่แบบคนที่ได้วัดแสวงหาบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาโดยการพิจารณาวัตถุการซึ่งปุถุชนทั้งหลายทั่วไปโดยมากสแสวงหาความสุขจากสิ่งใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพิจารณาแต่โทษภัยของสิ่งนั้นคิดว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันอีกคนหนึ่งอยู่เพื่อสวยสุข อีกคนหนึ่งอยู่เพื่อเพิ่มความเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรและมีทุกโทษมีพิษภัยอย่างไรเพื่อสั่งสมบารมีให้เต็มเมื่อมีบารมีเต็มแล้วจะได้มาเล่าให้เขาฟังว่ากามมันมีโทษอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจงสแสวงหาสุขที่ไม่มีโทษเถิดเนี่ยนะต่อไปบอกว่ากามทั้งหลายมีการผูกเป็นเครื่องหมายเหมือนกับยางที่ดักลิง ยางที่ดักลิงเนี่ยสมมติลิงเนี่ยสมมติเขาก็จะจับลิงเนี่ยทำยังไงก็เอายางเนี่ยไปทาโคนไม้แล้วก็หาอะไรไปวางไว้สักชิ้นหนึ่งที่นั่นลิงมันก็เห็นผลไม้เป็นต้นมันก็จะเอาไปไปเอาเนี่ยทำความสุกสนของลิงทั้งหลายเมื่อมันขึ้นไปนั่งบนแท่นนั้นเพรามันก็ติดยางอะไรมันก็เอามืออันแรกก่อนไปแตะปั๊บมันก็ติดพอติดปั๊บมันก็เอามืออีกข้างหนึ่งมาจะยันอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ผลักอีกข้างหนึ่งมันก็ติดอีก มันก็โกรธมากก็เลยเอาขายันก่อนขายข้างหนึ่งมายันก็ติดจะเอาอีกอันหนึ่งมายันก็ติดติดสี่แล้วก็ทําไงจะเอาปากนี่กัดก็ติดปากแล้วติดห้าอะไมือก็ติดเท้าก็ติดปากก็ติดฉันใดเนี่ยนะวัตถุการมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความผูกเป็นที่ตั้งแห่งความพันธุ์ติดชนิดที่เรียกว่าแกะไม่ได้เนี่ยนะก็เรียกว่าจากเป็นคงไม่ได้จากตายคงได้เนี่ยนะมันเราก็อะไรนะหลายหลายคนเขาบอกว่าโอ้ยจะขอบวชหรือหมดติดหรือเปล่า ตายอนุญาตแต่ถ้าบวชนี่คงไม่อนุญาต ร, ร้องฟังกันโอ้ไม่รู้เป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรกันขนาดนั้นนะะอนุญาตให้ไปบวชสร้างบุญสร้างกุศลไม่ยอมเนี่ยนะให้ตายไปด้วยกันเนี่ยนะตายทั้งๆ้ ง, ท, งที่บาปด้วยกันจะไปไหนเนี่ยนะพบกันทะี่บ่อไหนดีนีะถ้าพบกันที่บ่อก็แสดงว่าเป็นปลาพบกันที่ฟาร์มไหนเนี่ยก็เป็นหมูเนี่ยก็นั่งรถมาก็เห็นคันหน้าห หมูมีไมายเลขด้วยนะไมายเลข8ปดหม้เลข9ก้าหม้เ ล, 9, เล 10, ขสิบแหมขันหน้าเลยนะบอกเออโยมดูสิมีไมายเลขประจําตัวด้วยนะตัวหนึ่งหม้เลขแปดตัวหนึ่งหม้เลขเก้าตัวหนึ่งหม้เลขสิอีกตัวหนึงหมายเลข11โยมบอกเออใช่ใช่คำว่างั้แล้วก็เฮ้ยตัวกับกรงเนี่ยมันแทบพอดีกันเป๊ะเลยเนาะคำว่างั้นมันกระดิกไม่ได้เลยนะเออนั่นแหละนั่นแหละใส่ขนจากเชียงใหม่ไปเชียงรายองั้นเอาไปเชือด มันก็เป็นที่ยึดติดนะนะมันที่ยากที่จะแก้ออกยากที่จะหลุดกันง่ายๆเนี่ยนะยากมากแม้กระทั่งอย่างสมัยนี้ก็แม้กระทั่งบทเรียนมาแล้วก็เรียนเพื่อวัตถุกรรมมีเป้าหมายเพื่อวัตถุกรรมแล้วคนบริโภคกรมด้วยการส่งเสริมคนบริโภคกรรมด้วยกันก็เห็นด้วยสนับสนุนส่งเสริมกันอู้เอาเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยนะนะ แล้วก็กรามทั้งหลายเนี่ยนะมีการปกปิดไว้ด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ดุดปิดด้วยเปลียงคือหมายความว่าดูตอนต้นเนี่ยน่าชื่นใจมากแต่ว่าถ้าถ้าจุ่มลงไปเนี่ยคืออะไรเขาเรียกว่าดูข้างบนผิวเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่ถ้าจุ่มลงไปปั๊บเนี่ยนะขี้โคลนตมก็เปื้อนมาชนิดที่เรียกว่าล้างออกยากหรือล้างไม่ออกเพราะงั้นเขาเรียกว่าดูงดงามอลังการแต่ว่าถ้าจับแล้วต้องจ่าย เขามีไอโบราณเนี่ยลรงเรืองลูกทันนงเรืองเขาคนเท่าเขาก่อนเขเล่าให้ฟังเขาเรียกว่าล้วงห้าแล้วก็ล้างสิบเขาจะมาหลอกกันว่าเออเนี่ยที่ไหเนี่ยนะมันเป็นไหายพิเศษที่ดีมากเลยนะอืใครล้วงแล้วจะได้โชคได้ลาบได้วาสนาต้องให้ค่าล้วงเนี่ยห้าบาทหบาทโบราณเนี่ยนะเขล้วงเข้าไปล้วงเข้าคลำปั๊บเจอของเหม็นเข้าเอาดึงมาปั๊บหูเหม็นประลาเลยเนี่ยค่าล้างสิบ ทีนีไอ้คนลังมาบอกดีไหมโอ้ดีมากดีมากเลก็เลยเข้าประกอบอาชีพกันหาเงินได้เยอะเมื่อกี้นะคืนหนึ่งก็หาได้เยอะเรียกว่าล้วงห้าล้างสิบประมั้นเจอไหมมึงเมื่อก่อนเจอนะไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกกันนะเรื่องจริงแล้วมีคนโง่แบบนั้นทําเยอะนะแล้วไอ้ไอ้คนล้งหลังไม่ใช่ว่าจะบ้ามปรามกันนะะไปเลยไปเลยอยากให้โง่เหมือนตัวนี่จะได้เสียสิบห้าบาทเหมือนกันเนี่ยนะเรียกว่าล้วงห้าล้างสิบโบราณเนี่ยนะโอ้โหของดีของดีประมาณนั้น ล้างมาเตะยกมือชูเ ย, ย, ยี่ยมว่าับเสร็จแล้วก็นั่นแหละอย่างนั้นแหละระว่าดูเหมือนดีนะเพราะปกปิดกระว่าฉาบทาว่าดูเหมือนดีแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ดีจริงๆต่อไปวัตถุ ก, การมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งภัยดุดอยู่บ้านศัตรูว่างั้นเหมือนเราไปอยู่ในบ้านศัตรูเนี่ยนะถ้าเราไปอยู่ในบ้านศัตรูนี่จะเป็นยังไง บ้านศัตรูเทีเ่ยกว่าคนที่เขาหมายฆ่าเราเนี่ยจะต้องระวังเจฉันใดวัตถุการมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวสรารพัดอย่างอย่างของที่เราได้มาหนึ่งชิ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะของดีของประณีตเลยเนี่ยจะเก็บไว้ตรงไหนอ่ะมันถ้าใครมีเพชรเท่ากำปั้นนี่ก็เท่ากับว่าอะไรมีเพชรเท่ากำปั้นนะให้ดูแลด้วยนะให้ดูแลให้ประดับไปที่ไหนต้องประดับไปด้วยเนี่ยนะเอาไหมน่าสนใจ เพรใจถ้าคำบ้านก็เป็นหลายสิบกรนะับนะไปที่ไหนก็ต้องพกอันนี้แหละไปออกทุกงานก็ต้องพกนะโอ้ยตายแน่งานนี้อายุไม่ยืนแน่เลยนะท่องได้เลยอายุสั้นแน่อายุสั้นแน่นแนโจรภัยมาแน่เนี่ยนะเรียกว่าโรคภัยก็ตามมาเพราะนอนไม่หลับมัวแต่ระวังเพราะงั้นเดือดร้อนมากทั้นวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะโอ้ผู้ที่บริหารวัตถุกรรมโดยมากก็บริหารภัยอ่ะนะ บริหารอันตรายบริหารสิ่งที่เป็นอันตรายก็เลยจิตใจของผู้บริหารโดยมากก็ลำบากใจเนี่ยนะไม่ค่อยมีความสุขใจสักเท่าไหร่ถ้าเว้นไว้แต่คิดเป็นแต่ถึงยังไงก็ความน่ากลัวก็จะติดตามมาตามสิ่งนั้นนั้นเขาเล่าบอกว่ามีเจ้าของรถเขบอกวโอ๊ยจอดได้ยังไงเนี่ยว่าจอดหนึ่งคันแล ว, ว่ารถรายได้ไปห้าพันก้น คันละห้าพถ้าจอดสองคันน่ะโอ้หมดไปหมื่นหนึง่งวันเดียวหมดไปตั้งหมื่นได้ยังไงก็ลูกไปเอะอะโวยวายจะป่วยตายให้ได้เลยคนเอะอะวายเนี่ยนะก็ยังไงแล้วเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวแม้กระทั่งพอมีปัญหาเข้ามาพวกนี้ถามว่าถ้าน้ําท่วมเป็นยังไงเพราะของเหล่านั้นเนี่ยสาธารณะแก่น้ําถ้านา้ถ้ามันแล้นไปเลยนี่จะเป็นยังไงแล้วถามว่าไฟลงไหมไฟไหม้ได้ไหมก็ไฟก็ลงน้ําก็ท่วม ถามว่ามันไม่ได้ท่วมแต่ของมันท่วมใจด้วยนี่สิไฟไม่ได้ไหมแต่วัตถุมันไหมใจด้วยนี่นะโจรมันไม่ได้ลักแต่ของมันลักใจที่เป็นบุญเป็นกุศลออกไปด้วยเพราะฉะถ้าใจใดๆที่ไปฝากไว้กับวัตถุการมทั้งหลายใจเหล่านั้นก็จะเดือดร้อนตลอดเวลาต่อไปนะว่าวัตถุการมทั้งหลายเป็นเหยื่อของกิเลสมารเป็นต้นดุดเลี้ยงศัตรูนี่นะคือว่าเหมือนเลี้ยงอะไร มันเลี้ยงงูเห่าเยอะอเ ย, อ ะ, เ ย, อ ะ, เยอะเต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ยนะถามว่าจะเป็นยังไงอ่ะเหมือนกับเลี้ยงอสรพิษเหมือนเลี้ยงเสือไว้เต็มบ้านมันหิวอะไรมันก็จะปบเอาเมื่อ น, นั้น น, นะะเลี้ยงเคระวัตสุนักพันดุเนี่ยนะที่มันกินเจ้าของได้อ่ะคล้ายๆแบบนั้นนะ่ะพัน้นวัตถุกรารมทั้งหลายเป็นที่เกิดของเหยื่อของกิเลสมานเหมือนกับเลี้ยงศัตรูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะต้องเรียกว่าเอาศัตรูมาเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าเค่อยมีเล่าโบราณ น, เ, นเล่าให้ฟัง สมมุทอย่างแบบบ้านเมืองเมืองอื่นเขายกทับมาเนี่ยนะเขาก็มาบีบบังคับให้ชาวบ้านเนี่ยต้อนรับศึกศัตรูเนี่ยนะที่ที่เรียกว่าข่าศึกยกทับมาแล้วเราต้องหุงข้าวหงปลาต้อนรับขับสู้ ท, ทั้งทั้งที่เกลียดแทบตายแล้วก็ต้องไปนั่งเฝืนยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละถามว่ามันจะมีความสุขขนาดไหนโบราณนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเนะเรียกว่าต้องหงข้าวเลี้ยงศัตรูเนี่ยนะเช่นศัตรูที่ยกมาจากบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ย ไอ้บ้านทางนี้แหละก็เขาล้อมไม่หมดอ่ะจะไปไหนหนีก็ตายมันก็ไอ้ไม่ยิ้มทําด้วยหน้าบึง้งตึงเขาก็ใช้ดาบหวดนนอนทําไงมันต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ท, ทั้งทงที่ไม่อยากยิ้มเลยว่าเป็นที่เลี้ยงของศัตรูฉันใดวัตถุกรรมทั้งหลายก็เป็นเหยื่อของกิเลสมาเรเรียกว่าเหยื่อของผู้ฆ่าภายในนี่ยนะเครียกว่าเหมือนกับเราเลี้ยงเพชฌฆาตไว้ภายในตลอดเวลาเพราะาราคาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าเพชฌฆาตโทสะก็เรียกว่าเป็น เพชฌฆาตโมหะก็เป็นเพชฌฆาตเพราะเพชฌฆาตเหล่านี้ฉุดไปไหนพาไปไหนเนี่ยนะไม่เคยมีอุปการะคุณโดยประการทั้งปวงเราก็เลี้ยงแต่ศัตรูเนี่ยนะศัตรูก็มีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นเดือดร้อนเข้าไปกันนัน้นก็เลยบอกว่าเป็นเหยื่อของกิเลสมารเหมือนเราเนี่ยเลี้ยงศัตรูฟูมฟักเลี้ยงลูกศัตรูเนี่ยนะเลี้ยงให้มันโตมันจะได้ฆ่าเราเชนนั้น